แล้วจากการบวชเรียนแล้วการตั้งใจปฏิบัติธรรมมีอาณาสงฆ์ชนิดไหนอีกครับที่จะช่วยส่งผลให้เราเข้าไปถึงเป้าหมายได้สร้างบา ร, รมีบารมีประเทศไหนบา ร, รมีละกิเลสถัาจาตจะกับโตเองละกิเลสละครบต่อหนีเนื้อใละคมหลดที่ละคมโรคคมกดที่พระพุทธองค์ท่านในที่นะี่้บา ร, รมีสิแล้วก็ต้องพยายามเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้นะที่คําพูดเมื่อกี้นี้ว่าอะไรตั้งใจปฏิบัติธรรม ให้ตั้งสติเข้าไปทําความพอใจกับใจถ้าตั้งใจนี่มันปิดตัวเองเลยตัวใจปิดกั้นไว้เลยแหละต้องฝึกสติต้องสร้างสติเข้าไปสารวจใจสารวจไม่ทัาต้นเหตุก็ต้องดับต้องควบคุมเอาไว้แล้วก็ไปคลายใจออกจากความคิดออกจากขันหา้าซึ่งเป็นนามธรรมาด้วยกันนีนะ่ตรงนี้คนเข้าใจผิดกันมากเลยลก็เลยไปมั่นหมายเอาตัวใจว่าเป็นตัวสติว่าเป็นตัวปัญญามันเกิดจะต่อไเวล า, เาไปพิจารณาต่อไปลรอ สติเราเตรียมรอบแล้วสติกับใจจะทํางานพร้อมกันรู้พร้อมกันเหมือนกับตัวเดียวกันช่วงใหม่ๆจะเป็นคนเราส่วนตามห้ามหันกันตามเมันห้ามสอนกันใหม่ๆนี่สติไม่ทันจิตนะน้องจะไปทันได้ไงจิตเขาไปท่องเที่ยวมากี่พกกี่ชาติกับเพื่อนเก่าเขาน่ะแล้วก็โดนคอมพยทยานอยากบงการอยู่ต่อเวลาถ้าจะเด็ดขาดได้ก็จะเอามันลงได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความเพียรอย่างแจ่าก้านที่เราฝึกนี่คือสติ เึกเจริญสติเข้าไปควบคุมจิตเข้าไปสำรวจจิตเข้าไปสำรวจพฤติกรรมของจิตถ้าต็ละเมื่อจิตรู้เห็นตามความปจริงแล้วละแล้วคลายกถ้าข้าวคขาไม่เป็นใจจะมาบุญไ้สถึงเวลาก็เป็นเองนั่นแหละบางทีบางคนก็โดนบังคับก็ได้มาบวชก็มีเขาบุญของเขามีอยู่ เนื้อภาษาอะไรแม้แต่แต่ท่านอนิรุตพระอนิรุตแต่งงานใหม่ใหม่พระพุทธองค์ไปบ้า น, นแต่งงานเฉดชูขวัเเ็ดเจ้าสาวรอยอยู่ในห้องถือบาดตามพระพุทธองค์เมื่อไหร่พระพุทธองค์จะรับบาดให้เสี็จทีรับบาดได้ทีไม่รับเมื่อทีจนถึงที่พักพระพุทธองค์พูดได้คําเดียวว่าอ้าวอนิรุตจะบวชได้พระเจ้าข้าเท่านั้นเลจับฟงผมเลยก็ต้องไปเอานางฟ้ามาล่อให้สวยๆก็บวชจนสําเร็จเป็นพระราหัน เดีย๋ยวค่ะนาทีสุดท้ายสําหรับคนที่จะเปลี่ยนทกภูมิแตกดับเนี่ยนะคะสําหรับลูกค้าลูกขี่ที่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ยังสร้างสติไม่ได้ต่อนเนื่องตรงนั้นน่ะเป็นข้อเด็ดที่จะทําให้เราผลบบักทกภูมิไปตรงไหนก็ได้เนะะี่ยเดี๋ยวพ่อจะให้ลูกค้าลูกขี่อะไรเป็นที่พึ่งคือรู้จักเจริญสติเข้าไปรู้จักกิตของตัวเราให้ได้เช่นก่อนคณะที่ธาตุขันจะแ ต, ตกกระดับเรื่องเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ถึงถ้าเรามีสติดูรู้จิตควบคุมจิตฝืนจิตไว้สักพักหนึ่งนี่ตะบะตรงนี้จิตโคตรจะรวมเป็นเอกเป็นหนึ่งแล้วกําลังมันจะมีมากมายมหาศาลมันจะอยู่เหนือเวทนาของกายทันทีพอจิตไม่แตกรกระจายทีนี้คนให้คนป่วยที่เวทนากล้ามากเวทนากล้ามากๆแต่ไม่เคยฝึกมา ก, ก่อนมันจะไปรู้อะไรล่ะ ต, ตั้งแต่อยู่เดียวดายตั้งแต่ยังเป็นเป็นก็ยังไม่ฝึกอยู่ เ, ยเรารู้จักวิธีแล้วรู้จักอุบายแล้วการกระทําของเราก็มีอยู่เราทํำจนช่ําชองแล้วถึงมันไม่เด็ดขาด ถ้าถึงช่วงเวละเวลานั้นมันไม่มีอะไรน่าเอาแล้วมันมีที่พึ่งแล้วมันก็ต้องหันมาดูตรงนี้เราไม่จิตของเราหยุดกับสึงได้ชิงหนึ่งหรือว่าหยุดลงหายใจต บ, บะอดทนตรงนี้ปุ๊บจิตมันจะรวมพลังมันจะอยู่เหนือเวทนาของกายทันทีเพราะว่าเหตุการณ์บังคับรูปไม่ได้หมายถึงจิตของเราที่กำลังจะกายทุกคนถ้าเราอยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ที่เราจะช่วยคนสวยที่เขาเวทนาดบ้าเนี่ยเราจะให้เขาเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาอะไรเป็นที่พึ่ง ตอนนั้น<ห>ยากเลยไม่มดมได้ฝึมันจะไปได้อะไรเราก็แล้วให้ขเขาละลึกนึถึงบุญเขาที่เคยได้สร้างทํำมาไว้จัอดทนอดตั้นก็แค่นั้นเองถ้าคนได้สร้างได้ทําำอาไว้ในทําบุญสร้างบุญบไว้ดีนี่ถึงพวกนั้นจะมาเป็นอุคณิมิตให้เขาทันทีเลยเหมือนกับยมพ่อหลงพ่อให้เกิดเวทนามากแค่วันที่สองวันที่สามท่านก็ไปท่านข่มจิตเอาเวทนาไม่อยู่จนท่านบอกเอาถอดดวงจิตไปไวอยู่กับองพระถึงขนาดนั้นเลย แล้วก็วันแรกที่ถ้าเกิดเหตุการณ์ปุ๊บมันคือสะเก็ดโถช่วมบาดนิดเดียวแล้วก็เป็นบาด ท, ทยั ก, ททยกเป็นตีพิดขึ้นมาก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขานึกว่าเป็นถ่ายเขาก็เลยให้น้ำเกลือพอให้น้ำเกลือบาด ท, ทยักกระจายไปทั่วร่างเลยอดทนอดกั้นข่มเวทนาตรงนั้นมากทีเดียวทีนี้คืนที่สองเอาไม่อยู่เขาเลยส่งมาโรงพยาบาลศูนย์หลวงพ่อก็เลยตามมาพามาส่งโรงพยาบาลศูนย์หลวงพ่อก็เลยออกไปวัดไปส่งน้ํา ท่านพูดไม่ได้อะไรไม่ได้ท่านอดทนอดกั้นจนถึงที่สิ้นสุดแล้วท่านก็ให้เรียกคุณหมอสุพัฒสอนมาแต่ท่านพูดไม่ได้ท่านก็เอาปากอปากกากับหนังสือมาเขียนหนังสือให้เรียกหมอสุพัฒนสอนแล้วให้โทรไปตามหลวงพ่อกลับมาด่วนว่าไม่มีเวลาแล้วขงันหลวงพ่อกลับมาช่วงนั้นท่านก็ยังใส่ออกซิเจนอยู่นะช่วงที่เขียนหนังสือท่านพูดไม่ได้หลวงพ่อกลับไปถึงท่านปุ๊บท่านก็ขอสมุดดินสออีกนวัด เขียังสือบอกว่าช่วยบอกคุณหมอให้ด้วยว่าช่วยเอาถ่ายออกหน้ากาออกใช่ถึงเวลาของพ่อที่จะไปแล้วจะ แ, แค่นั้นแต่หลวงพ่อก็เออเอาออกให้ทัน ใ, ให้ทันไปได้สบายที น, นี้ในทางตรงวิชาคนไข้ที่เคยได้ทำมือกรวจในพระพิษภาษาหนาไว้เยอะแต่ลุบบากการรมเนี่ยมันต้ให้ใช้ทําให้สมองเนี่ยเกิดไม่ค่อยดีในช่วงบ้านสบายของชีวิตสิ่งนี้จะเอาอะไรไปนเปนี่ คือบุญกุศลทำไปเยอะมากบุญก็อยู่สมบูรณ์วิบากกรรมก็อยู่ส่วนวิบากกรรมในช่วงท้ายของชีวิตลูกๆที่อยู่ใกล้ชิดจะเน้นเน้นน้ำสุบุญกุศลก็ทําให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่สภาพจิตใจทํางานไม่ได้แต่จิตเขาเป็นผู้รู้เป็นาธาตุรู้จะพูดอะไรก็ได้ยินหมดรู้ชัดเจนอีกด้วยเพราะว่าจิตมันรับรู้มันอยู่ภายในเป็นาธาตุรู้จิตเป็นาธาตุรู้ทีนี้เราก็เอาแตสิ่งดีๆเข้าไปให้ ท่านก็จะรับรู้รับทราบไม่ใช่ว่าพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมี เ, เด็กๆคนสาบคนแค็นคนนั้นคนนี้ดีตัววิบากกรรมตัวนี้มันถ้าเป็นอกุศลมันจะเข้าไปลุมหนงนั้นถ้าเราเอาสิ่งดีๆเข้าไปรับรู้แต่สภาพกายมันตอบสนองไม่ได้สภาพกายมันก็รอถึงวัยเวลาที่จะแตกดับแค่นั้นเองตัวจิตเขาถ้ารับรู้สิ่งดีๆแล้วมันมีเด็กๆครอบปิติความสุขอยู่ข้างในถ้าลูกทะเลาะบาแวงกันลองดูซิถ้าแย่งมารดกหรือทำมู่นทำมี่ทะเลาะเบาแวงกันนั่นแหละเหมือนกับฉุดได้เล ย, เลย อันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จทะเลาะกันเบี่แว่งกันทับวาระดกก็เปี้ยงกันตีกันฆ่ากันนั่นน่ะแน่นอนเลยใจมันก็ยิ่งะทุกหนักมีตั้งแต่สิ่งดีๆเข้าไปให้มีแต่รักมีภพมีหานความเมตตาพพหน้าภพตาลูกคนนู้นคนนี้ก็ไปพูดอธิบายให้ฟังสร้างคุณงามความดีอันนู้นอันนี้จิดมันรับทราบตลอดเวลาแต่มันไม่ได้ตอบสนองทางกายเท่านั้นเองกายมันเป็นก้อนกรรมเป็นวิบากกรรม เราห้ามไม่ได้เด้อย่าเป็นนกไป น, นี้เนาะเราห้ามไม่ได้เราก็ปล่อยไปตามสภาว่ามันเขาจะให้มันกีรังยั่างยินตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยตั้แต่ว่าเจ้าอยู่หัวไม่เลยพระเจ้าแป่นดินก็ยังไปเนีย่ยเราคนธรรมดานี่ก็ก็ไปเหมือนกันนั่นแหละในจิตทำนั้นเป็นธาตุรู้อยู่แล้วแหละจะไปพูดยังไงพูดน้อยพูดมากพูดอะไรคนก็รู้ยิ่งถ้าคุณงามความดีสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์มันก็อิ่มอยู่ในกายนั่นแหละ ทนี้ไอ้ปัจจุบันไอ้ตัวใหม่เนี่ยคนที่จะไปพูดหรือไปให้ได้ยินให้ฟังข้างคุณงามความดีเนี่ยหรือจะไปทะเลาะบอแยงให้ฟังเนี่ยตรงเนี้ยตัวใหม่เนี่ยมันจะไปสร้างขึ้นมาช่วงอย่างนั้นอย่าให้สิงไม่ดีไปกระทบกระเทือนใจเป็นเด็ดขเดหรืออาจจะไปจัดโต๊ะดอกมงดอกไม้ตั้งเอาไว้ให้ท่านมองเห็นมองเห็นพระพุทธรูปหรือมีเครื่องหอมเครื่องอะไรหอมเย็นๆนั่นมันเป็นอุบายที่จะให้ใจมันเข้าไปในกองบุญกองบุญศน มองเห็นตามองเห็นก็มีครอบสุขแต่ใจมันบงการกายไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจคุณพ่อฟังเพืว่าแม่จะทั้งมานุษย์ค่ะที่ไม่ทำงานแล้วสมองไม่สั่งการแล้วเป็นจิตปีแต่จิตก็รับรู้อยู่จิตรับรู้เ้าได้สร้างคุณช่างบุญท่างกุศลเอาไว้เขารับรู้ตลอดถ้าจิตไม่ออกเจเลอรนี้ไปเที่ยวถ้าจิเตเจริอรนี้ไปเที่ยวหนึ่งค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งมันย่อมมีธรรมดาเลยนะมันก็ต้องไปแหละ จะให้ได้ยินนับทราบในสิ่งที่ดีๆมันก็ไปในทางที่ดีๆถ้าปัจจุบันไม่ได้สร้างได้ทําอะไรเอาไว้จะให้ไปนึกถึงมันมันก็จ้างนึกไม่ถึงหรอกเพอนไม่เคยทำแล้วก็พยายามจ้างไว้ขณะที่เรายังมีลมหายใจมีโอกาสก็ทําไปเถอะทำมากทำน้อยก็เป็นของเราหมดนั่นแหละถ้าหมดโอกาสแล้วไม่ได้ทํานะการที่พ่อคนหนึ่งกาลังเจริญในทางอย่างดีอยู่ในสมุทราพื่อ แต่จิตเนี่ยถ่วงลูกแล้วอยากจะสอนลูกให้เป็นคนดีด้วยการทําให้ดีแล้วก็สอนด้วยเนี่ยกับโดยเฉพาะที่หลวงพ่อให้ลูกมาบวชแล้วก็ปล่อยให้ลูกเติบโตเองในชะนอมเดียวกันถ้าพระกําลังจะหาดเจริญสมาธิธรรอยู่แต่ถ่วงลูกตรงเนี้ยแล้วอยากจะเป็นผู้สอนลูกตรนี้ยหลวงพ่อจะแนะนำยังไงการกระทำนั่นแหละคือเป็นตัวสอนตัวอย่างเขาก็ไปตามวัยของเขา บางทีวัยนี้ก็อาจจะไปเล่นถนุกสนานถ้าโตขึ้นมาเขาก็ยอดกลับมาตรงนี้เพราะอา น, นิสงตรงนี้มันมีอยู่ไม่ต้องใช้คําพูดเพื่อสอนคำพูดก็มีบ้า ง, งคําพูดเออจะไปดุไปดา่าไม่ใช้กันไม่ได้เออต้องหาเหตุให้เหตุให้ฝนเขาอันนั้นมันถูกไวถูกอันนี้มันควรหรือไม่ควรแต่การกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อมไม่ใช่ว่าตื่นขึ้ น, นมามี่อไนก็ไปดา่าไปว่าไปตาวาดอันนั้นมันก็ฝังไว้ในดวงจิตของเขา ถ้าลูกกาลังวัยรุ่นแลลูกชาวเนี่ยแล้วแล้วจริงๆแล้วจะซึ้งซัดคนที่ใกล้ที่สุดก็คือพ่อค่ะหลวพจะไม่ให้เขากลับไปทําหน้าที่พ่อให้ดีก่อนหรือว่าเข า, เาควรจะบําเพ็ญธรรมไปแล้วให้เจริญอย่างหลวงพ่อจะได้รางวัลอันนี้ไม่ถึงเวลาไม่ได้มาวิบากกรรมยังไงก็ต้องไปอย่างนั้นก่อนถ้าเราสร้างบนสร้างกุศลอย่างไงวิบากกรรมมันจะมากมายดึงขนาดไหนถ้าเรามีอา น, นิสงส์เพียงพอมันก็จุดหลังเราไม่อยู่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิบากกรรมตรงนั้นด้วย หลวงพ่อก็มาพิจารณาตรงนี้อยู่เหมือนกันสมัยมก่อนที่หลวงพ่อไม่เข้าใจตรงนี้ทําไมถึงไปที่โน่นไปที่นี่โอวิบากกรรมของเรามีอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างทําไมเราไม่มาตัา้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กเราก็ว่างอยู่ทําไมเราไม่เข้าใจตรงนี้เพราะวิบากกรรมสมมติยังฉุดไปที่โ น, โน่นบ้างที่นี่บ้างพอเราเข้าใจแล้วเราถึงละวิบากกรรมตรงนี้ออกไปเสียละวิบากกรรมเก่าคืออาการนกขันห่าแล้วก็มาสร้างกุศลกรรมใหม่แต่ไม่ยึด มันก็เลยอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปกรรมก่อก็ตามไม่ทันกรรมใหม่ก็ไม่ยึดแต่สร้างกรรมดีมันก็เลยอยู่เนื้อบนนุญเนื้อบาปเนื้อกรรมถึงเราไม่เอามันก็ได้เพราะการกระทําของเรามีเราต้องทําความเข้าใจให้ละเอียดตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะเอิดทําไมเราไม่ได้ตั้งแต่นู้นหลวงพอวิบากมันยังปิดทั้นเอาไว้อยู่ต้องให้เราไปทําที่นู้นทํานูน้อนอยู่จุดนู้นบ้างจุดนี้บ้างไปรับขอบทุกยากทุก บ, บากตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง ถ้าถึงเวลาจะได้จริงๆจะบังคับยังไงก็เอาไม่อยู่เราต้องรู้เพราะว่าสมมุติมันคลายวิบากกรรมมันคลายแล้วถ้าเราสร้างบุญมาดีนะถ้าครับที่บาป ก, กรรมชัว่วเนี่ยแทรกแซงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมเป็นได้ทำไมจะไม่ได้ ม, มีกรร ม, มวิธียังไงนะครับที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้กรรมอืมเราต้องรู้จักกรรมคือรู้จักอาการต้องคันห้าตัวกรรมตัวนั้นให้ละเอียดให้ได้ใช่ก่อน แล้วก็ทําความไว้ใจก็ละตัวนั้นมันก็จะเหงื่อแห้งไปไม่ตามเข้ามาปุงแต่งกิจแล้วก็รู้จากฐานของกิจที่มันจะก่อตัวว่าจะปุงแต่งแค่เป็น อ, อกุศลเราก็ดับถ้าเจริญถ้าเป็นกุศลเราก็ตามกระทำจริงๆเราก็ดับทั้งอกุศลและอกุศลแต่เจริญด้วยสติถ้าเป็นวิบากประเภทสมมุติมันก็การกระทำของเราเนี่ะ ว, วิบากประเภทสมมุติอยู่ปัจจุบันการกระทําอยู่ปัจจุบันทีนี้เราก็สร้างกุศ ล, ลกรรมแต่ไม่ไม่สร้างอกุศลกรรม แต่ความรับผิดชอบด้วยภพวิหารของเราก็ต้องไปทดแทนอีกสมมุติว่ามีวิบากกรรมเก่ามากําหนดว่าเราจะต้องสตาร์ขาดแนละ้วอย่างเนี้ครับมันถ้าเกิดว่าโชคดีว่ารู้ก่อนแก้ไขได้ไหมครับเราก็สร้างกุศลกรรมมนแหละแล้วก็ละวางทั้งอกุศลและกุศลกรรมแล้วก็ยอมยกให้เป็นกรรมยกให้เป็นกรรมถ้ากรรมหนักเงินถ้าอ น, นิสงผลบุญเรามีก็บรนทอนลงไปมันก็จะกลายเป็นเบาขึ้นมาถ้ากรรมเบาก็จะหายไป ถ้ากุศลกรรมถ้าปายบุญมันมากกว่าวิปัสนากรรมฐานถือว่าเป็นการแก้กรรมที่ดีที่สุดใช่ไหมครับวิปัสนากรรมฐานเราต้องรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วก็ให้อยู่เหนือตรงนั้นด้วยคือวิปัสนาญาณสิบหกนั่นแหละต้องให้ชัดเจนแล้วก็ให้จิตของเราอยู่เหนือตรงนี้ให้มันชัดเจนหมดกรรมเก่าก็ตามไม่ทันกรรมใหม่ก็ไม่ยึดแต่สร้างกุศลกรรมแต่ไม่ยึดแต่สร้างด้วยสติสร้างด้วยปัญญาสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ แต่ฆ่าทรรมบุญไทยบาปได้<ำ>ไหมเนาะธรรบุญไทยบาปไทยบาปไม่ได้ไม่ได้ไไดบุญก็อยู่ศ<น>ูนย์บุญบาปก็อยู่ศูนย์บาปต้องปฏิบททัติธรรมต้องวางหม ด, ดทั้งบาปทั้งบุญมันเกี่ยไถได้ไม่ยึด <c oughs> ไม่เอาทั้งสองมันถึงจะอยู่เหนือได้มันก็มีค่าเท <c oughs> ่ากันบาปก็อาจจะไปในสถานที่ที่ลำบากทำไม่ทุกข์ใจบุญก็อาจจะไปถูกคราบถุกทีิร่าเ <c oughs> ลิงมันก็ยังบุญเวียนว่ายไดเกิดอยู่แล้วก็ละออกทั้งสองใช่แต่สร้างบุญจะไม่ยึดละออกหมด เอาใจให้เป็นบุญเลยแต่คนเราปฏิบัติทำแต่ไม่รักิเลสนี่สินั่นก็ไม่ได้ทําเลยมันก็ไม่ได้สิไปปฏิบัติทำอธิษฐ า, านนะโออธิษฐานให้มันได้นั้นได้นี่ยิ่งมากกว่าเก่าที่ปฏิบัติทําไม่นั่งท่องคาถาหาเรื่องฮวงไว้สิ <laughs> เราพยายามศึกษากายศึกษาจิตของเรานั่นแหละไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากมายหรอก คนเราก็ภาละหน้าที่แตกต่างกันแต่เขาให้เรารู้จักกิจของเราเนั่นแหละมันก็มีความสุขกับการกับงานงานภายนอกก็มีความสุขงานข้างในก็มีความสุขไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาอะไรีใจระวางไม่ยึดติดยึดมัน่นถือมัน่นระวางขันหา้าละวางกิระกิเลสละกิเลสแล้วก็ทางนอกก็รับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญายิ่งขยันมันเพียรที่อีกไม่ปล่อยวันเวลาทิ้งเฉยใดยเวลาทำํำยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์เดียวประโยชน์ไวประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในโลกนี้ไอ้โลกข้างหน้าเรคยว่ากันเอาโลกนี้มันดีซะก่อนทอครับที่ยอมจิตใจกันทหลวงพ่อบอกปฏิบัติทําจให้รักทีเดียนะเพราะว่ีเดยที่พูดถึงเนี้ยไมันจะล่าหายเจนด้วยการปฏิบัติเนี่แน่นิคะสติแล้วลึกรู้ถึงลึกรู้เฉยไม่ดับมันก็ไม่แห้มันก็ไม่หมดฮะสติคือเหมือนกับว่าเรารู้ในปกติของสติแล้วเนี่ย เราพาไ ป, ปปกติของจิตแล้วเนี่ยเมื่อถึงใจที่มันกระทบสิตเรียเราก็จะเห็นความติดปจในตัวสิตนั้นเราก็จะดับไอ้ตัวที่มั น, นรมกระทบหน้าเช่นความอยากได้ที่เราเป็นทุกข์หรือว่าเอสมมติความอยากได้ที่เราทําทำ้สึกไหมเราอยากได้เรีนทําให้เราเกิดทุกข์เราก็ดับตัวอยากได้ดนะตัวนที่นั้นเราก็เฉยเป็นปกติอันนี้จะเป็นตัวเนี่ยและเเรียกว่าการละ ละความอยากดับกิเ ล, แลสแม<ล>่ถ้าจิตของเราถ้ามันเห็นความจริงๆเห็นความเป็นปกติของนั่นการดับมันเขาเรียกว่าการละสิ่งใดที่เกิดขึ้นมันนี้มีต้องรับรู้จิตใจแล้วเราก็จะหยุดเป็นองค์นั้นเอาไว้ถ้าอยากแล้วเราดับได้แต่ข้างในมันยังกลุ่นอยู่เราไม่ละออกมันก็อยู่เหมือนเดิมนะต้องคลายสักสมรอกออกอย่าให้เป็นขังแต่อันนี้เรามาสังเกตได้ไหมคะว่าเราคลายอีกอย่างมันจะเกิดอีกอยู่ไหมลรอเกิดนะคะแต่ก็เรารู้เออมันเสื่อมยี่ไม่ได้ไปทำโลกเกิดอีกเราก็ดับอีก เกิอีกก็ดับอีกอยู่งั้นน่ะจนมันเหือดแห้งไปจนไม่มีกําลังที่จะเกิดนี่เการดับกัรละกิเลสอย่างนี้แสดงว่าถ้าสิทเราหึงทางในปกติของสิทแล้วเนี่ยสิ่งใดที่เกจอที่มาในสิตแล้วเรารับสิทธิ์นั้นเลยเมื่อสิทธิ์นั้นเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดควาทุกข์เออทั้งกุศลทั้งอกุศลปละหมดนั่นแหละมันก็ถูกโย่แต่มันยังไม่หมดจดละทุกเรื่องละทุกอย่างเอาก็ละหันไม่หันกลับไปสู่โลกพอดีแล้วเนี่ยทำถูกแต่ให้มันเด็คะ ไม่ใช่ไอะไรคนนั้งคนเองป่อยโมโหดได้เฮเอ <c oughs> าไปใช้งานอีกแล้ว <c oughs> คิดว่าเป้าหมายสูงสุดเนี่ยไปถึงการละกิเลสให้หมดจดเนี่ยมันสําหดับสามัญชนก็คิดว่าเป็นทางไกลแต่จากการเคลื่อนตัวพัฒนาตัวเองจากสามัญชนไปสู่อริยะบุคคลเนี่ยในขั้นต้นเพื่อปิดประตูอบายน่าจะเป็นเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดก่อนที่จะไปถึงสู่ความหมดจดในการละกิเลส ท, ทั้งปวงดังนั้นช่วงนี้ สำหรับท้ามันชนทั่วไปเมื่อเดินไปสู่จุดนั้นก็ก็ต้องเพียนพัฒนามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปพยายามละบาปสร้างบุญมีฤทธอตปะละอายต่อบาปก็ในนั้นก็ละชั่วทำดีก็ยังเป็นขั้นพื้นฐานอยู่เลยมันก็เป็นทุกข<อ>นกดนัางให้ติดให้บริสุทธิ์ก็คือวิปัฒนาจุดนี้เล้ก็เดินปัญญานั่นแหละก่อนที่จะเดินปัญญาได้เราต้องสร้างความรู้ตัวเราจะเดินสติให้เป็นมหาสติแล้วก็จะเป็นมหาปัญญาถ้ารู้แล้วถ้าไม่ยอมเดินสิมันลําบาก ขอช่วยอธิบายมหาสติถ้าสติของเราแยกกิจออกจากขันห้าได้นะกําลังสติของเราจะตามคน้คนคตามดูขันห้าทุกเรื่องอนิจจังทุกขังนัตตาจบบงางเทศยนนัตตาแล้วก็มาดับความเกิดของ ก, กิจมาละกิเลสที่กิจตามดูทุกเรื่องให้กิตรับรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็หมั่นท่องสอนกิตถ้าเราเกิดข้าในการตามดูสติของจะลุดถ้าเราตามดูตามดูทุกเรื่องกำกิจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละมันจะกําลังสติของเราจะพุ่งแรงพุ่งแรงพุ่งแรง ยับยังไม่อยู่มันจะกลายเป็นมหาสติช่วที่เรายังแยกไม่ได้นี้จะหลุดจะพังเผอไม่ต่อเนื่องถึงแก่สร้างให้ต่อเนื่องก็ยังทําไม่ต่อเนื่องถ้าเราแยกได้ไม่ตามทําความเข้าใจอีกมันก็เผยอีกหลุดอีกซึมเข้าไปสู่สภาพเปลือมอีกเราต้องค้นคว้าตามทําความเข้าใจไม่หยุดหย่อนทั้งกลางวันทั้งกลา ง, ง, งคืนอีกจนลงตัวหมดจนไม่มีอะไรที่จะค้นคว้าน่ะสติก็จะหยุดกลายเป็นปัญญา มหาศัสติมหาปัญญาผมพ่อใช้คำว่าตามดูไม่ใช่ใช้คำว่าตามดับนะครับสหรับตัวจิตนี้ดับไอ้ตามดับนี่ยังวิ่งตามหลังเขาอยู่นะตามดูไปก่อนนีตามดูไปก่อนมันเขาก็ยังมีกําลังวิ่งไปอยู่แปลว่าให้ตามดับดับเลยตามดูดับเลยไม่ใช่ตามอืมดับพยายามดับพยายามทาไอ้ตัวขันท่านี่ยต้องตามทําความเข้าใจซะก่อนให้รู้ความจริงแล้วมึงจะหาวิธีดับของมันเองเลยฉันบอกตัวจิตนี่ก็ต้องพยายามจับยั้งตั้งแต่ต้นเหตุเลยดับหยุด แต่คนเท่าไปให้ตามดูแต่หลวงพ่อให้ให้ดับให้หยุดถ้าตามดูนี้กําลังเขายังมากเราต้องบั่นทอนกําลังเขามันสั้นลงถ้ามันก่อตัวนิดเดียวก็ดับเ็นกําลังมันก็หมดเลยมันจะเอาอะไรไปส่งไปเกิดได้หรือเพียงแค่ก่อตัวเราก็ดับใช่แล้วเราก็หยุดใช่แล้วต่อบแฝงหน้าเพียงแค่รู้เขาก็ไม่กล้าเกิดใช่แล้วเพเขาเกิดก็ดนดับด้วยสติต่อบแฝงหน้าการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดอีก มนนั่นสติต้องเร็วไม่เร็วไม่ไหวจะให้รู้ตัวอยู่ปัจจุบันกางก่อตัวของจิตเนี่ยมันก่อตัวได้จากอายตพนะทั้งหกไม่ใช่เกิดจากดวงมันโดยตงแล้วก็มีเหตุจากข้างนอกเข้ามาทําให้มันเกิดก็มีการห้าง ม, มาจากข้างนอกจะ ต, ต้องเอาสติสามรู้อายตพนะทุกอายะพันละมันรู้ของมันขนาดนั้นอตาเรามันมีหน้าที่อยู่เราห้ามไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องพยายามรู้จิตของเราหน่ง ตามีนะาที่ดูเออดูจิตของเราเกิดคมยินดีไม่ยินร้าไม่ผักแส่ไม่ดึงเข้ามาไม่เราต้องรู้ฐานของจิตไว้ก่อนหูมีหน้าที่ฟังท่านว่าศักระว่าดูศักระว่ารู้ศักระว่าฟังรูปรสดิ่งเสียงจะเป็นทางเข้ามาทางขวานทั้งหกของเราเราไปจับดูเอาหัวหน้าเขาเน่ะจอมเดี๋ยวเข้าไปกระโดดเข้าไปร่วมไปเสวยเหตุจากข้างนอกมาทําให้ติตเกิดแล้วว่าเกิดแต่ตัวจิตโดยตรงทงไปหมายว่าให้เฝ้าอยู่ที่ฐานฐางจิตอย่างเดียวก็่าน ไม่ไม่จําเป็นต้องตามไปรู้ผักษาว่าตากระทบรูปแล้วไปรู้ตรงนั้นหรือหูได้ยินเสียงไปรู้เลยแล้วก็ไปดับตรงนั้นเลยคือเราดูที่จิตของเราเฝ้าที่จิตดูที่จิตรู้ที่จิตไม่ได้เฝ้าเฝ้านี่มันยังเป็นการจดจ่อจดจ้องอยู่นะถึงแค่ถอยมาดูกับรู้ถ้าเขาเกิดแล้วเขาไปดับถ้าเฝ้าระวังนี่มันเป็นการคอยจับผิดคอยเพ่งเด็งกันอยู่นะมันยังตึงอยู่นะเป็นแพ่งจิตไปใช่ไหมนั่นแหละให้เราคลายเพียงแค่ดูแค่รู้ให้จิตรับความสัมผัสไปจิตรับรู้ถ้าเขาเกิดแล้วก็หยุดเขก็ดับแล้วครับเขา แล้วก็วางเขาเหมือนเดิมถ้าไม่เฝ้าก็แสดงว่าต้องตามรู้นะครับมันต้องเกิดก่อนถ้าไม่เฝ้าความเคยชินมันเกิดอยู่แล้วเกิดตามอัตโนมัติพนอะความเคยชินมันเกิดมันตั้งนานเกิดนี้ถ้าไม่ดับไม่ฝืนจริงๆเขาก็ไม่นิ่งนะมันก็แปลกเหมือนกันนะเราต้องดับต้องฝืนเขาสักพักกระยะหนึ่งเขาก็จะนิ่งของเขาแล้วก็มันพอบซอนเขาเขารู้ความจริงแล้วเขาก็ไม่เกิดตัวสติจะไปทําหน้าที่แทนสติ จะมาที่ปัญญาต่อไปหน้าเขาจะรักษาเราเพราะสติก็ไม่ได้มาปัญญาก็ไม่ได้มากังวลเรื่องจิตเพราะจิตเขาตั้งมั่นรับรู้อยู่ภายในช่วงที่ยังไม่เป็นเอกเป็นหนึ่งหรือว่ายังไม่เต็มรอบนี้ก็ต้องมันดูแลมันท่อมสอนมันดับมันละมันทําความเข้าใจได้บ้างไม่ได้บ้างเผอบ้างเผอบ้างไม่เผอิดบ้างก็พยายามเอาจะให้มันเต็มรอบเพีเดียวมันก็ยังต้องใช้เวลาอ า, อาศัยขอบอดทนอดกลั้นกับการกับเวลาอาศัยการละการดับการวิเคราะห์ หาเหตุหาผลมันท <u ants> ่อมสอนตัวเองมันท่อมสอนไม่ได้ก็ไปเที่ยให้คนอื่นเขาสอนนะสอนช่วยแล้วต้องสอนตัวเองตลอดเวลาการที่จะท่องสอนจิตมันเราท่องสอนยังไงครับคือหมายถึงอันนี้มันไม่ใช่ทางนะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เป็นกุศสนะอันนี้เป็นอกุศลนะพูดกับตัวเองนั่นแหละสติปัญญานั่นแหละพูดด้วยด้วยจิตด้วยนั่นแหละจิตสํานึกคุยคุยกับตัวเองเออคุยกับตัวเองนั่นแหละ เขาไม่ว่าบ้าหรอกแต่อย่าคุยให้คนอื่นได้ยินนะอาจารว่าการคุยกับตัวเองนี่ไม่ใช่แต่เรื่องจิดไม่ผิดไม่ควรจะต้องไปดักตรง น, นั้นตสติเป็นตัวคุยไม่ใช่ตัวจิตเป็นตัวคุย อ, อ, อย่าคุยเสียงดังสติปัญญาเป็นตัวคุยเขาจะว่าเป็นบ้าเนะี่ยเขาไม่รู้จกกักเราไม่รู้ว่าเราดูร<อ>ู้จิตเพราะมันมีสมถุเดือนยิ้มมันรอบโรงงานก็ได้จิตสํานึกสํานึกก็คือสติ ไปจะว่าไปวัดมาสองสามวันเป็นบ้าหรือเปล่าต้องไปดูกับเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเจ้านาเปลี่ยนไปใคว่ายัางไงก็ยิ้มแครว่ายัางไงก็ยิ้มดันได้หมดดูดูแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆมันเห็นได้ชัดเจนนะถ้าเราเห็นเราเราเราจะเห็นอันนนเห็นอันนี้มันจะสนุกอาจารย์อบายด้ หมอพ่อครับแพทย์<ม>ในในส่วนการพิจารณาเนี่ยหมอพ่อถ้าเกิสติครั้รงแรกรสติมันยังพิจารณาอยู่ยไป พ, ร พ, ร พ, ร พ, รพริจารณาไปเพิ่มเติมแลจิตเข้ามารวมมั น, ม, นมันนั้นนะเขาจจิตไปเสวอยในความคิดตรงนั้นอยู่เราก็ต้องพยายามพยายามยับยั้งจิตของเราทีนึงแ<อ>ม้แต่ตัวสติป<อ>ัญญ า, ยาพิจารณาก็ไม่จิตเข้าไปรวมอกีกพ่อสังเกตที่ว่าจิตเข้าไปร่วมเนี่ยมันจะไปจะไปสังเกตปก็นิ่งแต่ก่อนก็รู้ว่าจิตปกติไหม มันจะมีตัวเคลื่อนเข้าไปรวมอยู่กับตัวพิจารณาอยู่มันก็ไปเฉไวแม้แต่ึงการสติปัญญาพิจารณาก็เราก็ยังไม่ให้จิตเข้าไปร่วมอยู่นะต้องให้เขารับรู้ในสิ่งที่พิจารณานั้นพอไปสักพักแล้วมันก็เพลินมันไปนั่นเราก็แล้วจิตไปเฉวยไปร่วมด้วยแล้วก็ต้องยับยัง้งถ้ามันยับยั้งไม่ได้ก็เริ่มใหม่และต้องหัดผลสติของเราให้เร็วให้ไวอยู่บ่อยๆอยู่นึงนึง มัน ห, ห่างใจหลายปีนะไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็เลยห่างห่างไปนร่งแต่ก่อนเลี้ยงจนงแต่เป็นตัวเล็กนีมันก็ไปวิ่งอยู่ในกุฏินั่นแหะอยู่ในกุฏนั้นจนเกิดเป็นโตเป็นสาวถ้าเรารู้ช่องทางรู้แนวทางแล้วก็พยายามดูตัวเองแค่ใส่ตัวเองนั้นก็หมดแค่นั้นเชบวชแล้วก็เลี้งกับตัวเองเล่งทําความเพียรเรื่องการเกิดของก่อตัวของ ค, คิดให้ได้อย่างเดียวแค่นั้นตัวอื่นอย่าเพิ่งเอามาตัดทิ้งันเกิดยัง ไ, ไงไปยังไง ตัวกิจตัวขันห้าหรือตัวสติเรายับยั้งได้ในระดับไหนถ้าเรายับยั้งได้เราตามดูได้มันจะมีตัวแบ่งตัวชัดเจนทุกอย่างอันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาไปทักกิจเที่ยวกี่เรื่องล่ะนับไม่ทว้วนหรือไม่ได้นับเลย <c oughs> ไม่คช่เจ็ดคิดเลยแล้วก็วาดวิมานไปแล้วก็ทําตามวิมานที่ตัวเองวาดด้วยไปกันใหญ่คิดนั่นคิดนี่แล้วก็วิ่งตามความคิดวิ่งตามอารมณ์การกระทาไม่ถึงพร้อม แต่เป็นตัวสติปัญญาคิดการกระทําของเราต้องถึงข้อมนันแล้วก็อดทนอดทนกับการกับเวลาทั้งแต่เจ็บไปหมดการทำคิดไปด้วยทำไปด้วยแบบพอผ่านผ่นไปก็ทิ้งๆ้งไปแบบไปไม่ฟังมันก็อันนี้ชงเกิดประโยชน์ทั้งสมุติก็น้อยแต่สติปัญญาเข้าไปคิดอาการกระทําของเราก็ต้องถึงข้อคิดเฉพาะสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่คิดแม้แต่สติคิดเราก็ไม่คิดจิตนี้อย่าให้คิดเลยคือไม่ให้เกิดเลยแต่เวลานี้มันทั้งเกิดทั้งหลงทั้งวิ่ง ถึงมันไม่หลงมันก็เกิดก็วิ่งอยู่กันที่หลวงพ่อพูดว่าใช้การใช้เวลามนนผมมองว่าการเป็นักเรียนใหม่คืออนุบาลเรียนให้จบปิญญามันไม่ใช่อนุบาลรอมั น, น, นเรียนมาตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซ็แล้ว <c oughs> มาเด็ดยอดเอาเน็ดเดียวเด็ดยอดต่อทันเก่าเท่านี้สิ่งสำคัญคือต้องเพียรแบบทำต่อเนื่องนั่นแหละก็รู้อยู่ก็ทาให้มันได้<อ> หรือทํำพิยังได้ผลนันเองซักหนึ่งหลวงพ่อบอกสร้างสติการใช้ความเพียรได้ให้ต่อเนื่องเราก็รู้จะเอาไปใช้น่ะคือไม่ใช่ไปกําหนดไปจ้องหรือไปดูหรือไปรู้ที่หลวงพ่อบอกนี่คือให้สร้างสติขึ้นมาแล้วก็ถ้าเข้าไปดับได้ก็ดับถ้ายังดับไม่ได้ก็ต้องตามรู้ไปกว่าไม่ทําตามไม่ทําตามฝืนมีสูตรนะของหลวงพ่อนีมีสูตรนิ่งด้วยก่อนมันก็สติปัญญาค่อยหาเหตุหาผล สติปัญญาที่หาเหตุหาผลก็คือการพูดคุยกันท่านหลวงพ่อเขบอกว่าคุยได้คือเอาสติคุ ย, ตตคยตตเชือนถ้ำสอนจิตไม่เชว่าไม่ให้พูดไม่ให้คุยเท่างหร่ใหม่เราเราเราต้องต้องมีเหตุมีผลอยู่ข้างในนะฮะข้างในก็มีมัมมยย น, นั้นเลยเราต้องคุยกับตัวเองให้ได้แล้นี้มันชวนไปกินอะไรบ้างเราก็ต้องดูอะไรที่มันอร่อยอร่อยเบเกอรี่ไหมล่ะเบเกอรี่ของชอบมันเป็นยังไง ตามดูนี่มันตามดูด้วยดวงใช้ปัญญาเราที่ตามไปดูเนียตามดูกับหลงไปเสมยถ้าหลงนี่คือสติไม่ได้ตามดูกิตมันหลงไปเลยถ้าตามดูนี้กันดับยังไม่มีนะกาลังเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแค่รู้เฉยแต่คนไม่มีปัญญาตามดูไม่ได้คนไม่มีสติก็ตามดูไม่ได้สตินั่นแหะตัวปัญญาื้อต้องสติปัญญาต้องแหลมคมดูแล้วต้องพิจารณาได้โดยงั้น ก็ต้องรู้จักวิเคราะห์พิจารณาให้เหตุผลไม่ใช่ว่าพิจารณาไม่ได้ที่ไม่ได้ตองเราต้องให้เห็นให้รู้ให้เห็นได้ก่อนอยังก็หลงไม่ใช่ก็กมัหลง ไ, ไ, ไปร่วมกันไปหมดเพลิดเดียวคนยัวนย่วกี่เด็ก็ยั่วอันนัก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยนะโอ้ยเมนันยังนิ่งไม่ได้มากก็จะงอยก็ยังดีว่ะของชอบมันมีสองอย่างลูพ่อถ้าของชอบนี่ปฏิเสธฝืนแล้วไม่ให้เขา หรือว่าไม่ฝืนแต่ถ้าพูดถึงของกินของขบฉันก็คือฉันด้วยสติเราต้องทํำทุกของอย่างคือไม่จำเป็นต้องเนยคืออย่างแรกนี่ของชอบอย่างแรกนี้เราดูจิตว่าเราเกิดความชอบไม่ยินดีไยไม่ถ้าเราไม่เอาเราผ่านไปจิตของเรามันจะเกิดอะไรอาวรนเทเดายร์ไหมอีกเราจะได้เห็นตรงนั้นผ่านไปแล้วอุ้ยเราน่าจะเอาไว้นะเทเดียร์นะมันเกิดความอะไรอาวันถ้าบางที ดับให้ได้เดียก่อนค <erman. S 1> ่อยเอาหรือ <c oughs> บางทีเอาให้สมน้ําหน้ากิเลสไปเลยแต่ดับแล้วค่อยเอากิเลสมันก็อาจจะหลอกเรา <c oughs> มันมารอฉกทีหลังมันก็ยังดีกูมไม่ได้รับนะถ้ารู้จักวิเคราะห์พิจารณามก็วิเคราะห์ตัวเองไในตลอดเวลาวิเคราะห์มากวิเคราะห์น้อยทุกเรื่องการงานเร็วไวขึ้นส ต, ติปัญญาของเราเร็วไวขึ้นก็ไปใช้กับการงานได้ค่องแคล่วในทุกอิยาบทในรลักฐาน้องกิตต้องอยู่การใจตลอดเวลาต้องวันตลอดเวลา นันหละกรรมาฐานที่แท้จริงยืนเด่นนั่งนอนไม่ต้องอยู่ในห้องนอกห้องทุกเออยยาวบทจะล่องกับคนอยู่ก็ให้มันนิ่งรับรู้อยู่ใด้ความรู้เยอะครับมาที่นี่ก็มาบ้านเราดนชั้นเยี่ยมครมาบ้านเราทุกคนก็ได้มาบ้านตัวเองแต่ว่าปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าฝึกก็ไม่ได้ฝึกเพราะว่าทำความเข้าใจให้มันถูกต้องแค่แค่นั้นเองของมันนี่มันเป็นอยู่แล้ว มาจัดการเรื่องจิตอยเดียวให้ต่อเนื่องกันเท่านั้นแหละเรื่องอื่นไม่มีปัญหาเราเพียงแค่มาผืนให้มันได้ต่อเนื่องสติให้มันต่อเนื่องเรามันก็มีเหตุมีผลของเขาอยู่ข้างในอยู่เพียงแค่ทําให้ต่อเนื่องให้ได้เท่านั้นแหละจัดระบบรอเบียบของเขาให้ชัดเจนเท่านั้นเราก็จะไปได้เร็วได้ไวขึ้นจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากถ้าคนมีอานิสงส์เก่ามีบุญเก่ามีความพร้อมเดินทางให้ถูกกฎหมาย